หากว่าเราไม่เราไม่มีความหริงภาย ใ, ใจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสุดพราะนํานสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูอไม่ใช่เอามาจากที่อื่นใด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 ธรรมะเหมือนกันที่เลตอาธรรเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ผู้ใดก็ตามบรรดาผู้มีความสนใจที่ที่จะหวังผลวังประโยชน์จากการฟังก็ต้องในราบเหมือนกันถ้าเราจะเสาะแสวงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรจะทราบได้อย่างแท้จริ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 ล้วก็มาคิดว่าหมโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็เหมือนเป็นอะไรพอภาวนาในจิตชักเป็นนั้นชักเป็นนี่ชักรู้นั่นรู้นี่กระทบกระเทือนได้เร็วความกินความรับรู้ของเรามันช่องแค่ขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นโดยลำดับลาดับและจนกระทั่งเป็นประจา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 นะเรา่องนี้ถือว่าเป็นอัตาอตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่เหรือท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อเล่กลากาจะพูดทางธรรมสนากระชามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปปังนอนาตตาเวชนะอานาตตาสัญญาอนาตตาสังขาร า, าตาวิญญาณอนาตตาไปอานาตตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพทุทธเจ้าไปทําไมเนะล่ากลา่าถึงมุขเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นธทนนะมีความหมายอะไร ถ้าราจะมาเชื่อค ว, ความจริงคือทำที่พระองค์ประทานไม้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้พจรละความจำความขอมงตนเองให้เห็นตามความจริงท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกแยะอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนึความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริงอนาตตาอนาตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าตีข้อมือไว้เดี๋ยวมันเอื้อมไปจัานู้นเี่ยเอื้อมไปจับนี่ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับยาไปแต่ต้องไฟไฟว่างั้น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 ในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดซึ้นสุดไปจากใจขม้าใจ ร, รักภาในใจจริงหมดไปเรื่องอะจังทุกขัตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลองทั้งหดรูปเบชนาสัญญาสังขารมิจังก่ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรไล่ก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นไปกัเอง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 นิพพานังปรมังสุญยังสูนจะสย์ไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนีเป็นที่พอใจฮะพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้ยังตอนนี้เอวัง